ต่อนน้ไปหลวงพ่อจะได้พูดสัมโมทนิยกถาให้แก่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังเป็นประจำวันพระวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสิตรงกับวันที่28สิสิงหาห้าสองเป็นวันรักษาศีลห้าศีลอุโบสถของพวกเราหลวงพ่อเองในช่วงนี้ก็ทุรภาระแต่ก็อยากจะแจ้งข่าว การกุศลบางทีสัทยาญิษฐโยมอาจจะยังไม่รู้ข่าวอาจจะยังไม่โทษถึงวันที่31และวันที่หนึ่งทางวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรท่านจะสมโพธหรืรอว่าฉลองเจดีของหลวงปู่ธรรมเจดีหลวงปู่ธรรมเจดีคือเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานเป็นพระอุปชายะของครูบาอาจารย์เกือบทั้งหมดเป็นอุปชาของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่น หลวงตามหาบัวหลวงปู่น้องแซงหลวงปู่จ้ามหลวงปู่ล่าใช่ทั้งหมดหลงปู่สิงทองหลวงปู่ตัวหลวงปู่วันหลวงปู่ธรรมเจดีเป็นพระอุปชาเพราะนั้นวันที่31นีพระเทพจะเสดจหนะ้าเมืองอุดรตอน9นาฬิกาตถาญาติโยมผู้ใดจะไปร่วมสมทบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช และก็พระาธาตุของหลวงปู่ธรรมพุดมญานโมลีไปรับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปลว่าได้รับมาจากสองแหล่งใหญ่เม่อนั้นแต่ได้รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพระบรมสารีทีกธาตุแล้วก็รับจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชและจะมาบรรจุที่เจดีธรรมเจดี JD, วันที่1กันยา52แต่เริ่มงานตั้งแต่วันที่31สิงหาห้าสอง บรรจุพระปรมสารีริกธาตุเนี่ยประมาณ9กนฬิกาวันที่1กันยาเพราะนั้นแจ้งข่าวให้สทาญาิโยมผู้ใดอยากจะไปร่วมสมทบไปทำบุญสร้างบุญสร้า ง, างกุศลก็ไปนะวันที่1กันยา5 2สองเวลา9นาฬิกาพระเทพสเสด็จและพอบรรจุพระปรมสารีริกธาตุแล้วก็ช่วงบ่ายองค์ลุงตามหาบัวจะเป็นองค์แสดงธรรมช่วงบ่ายของวันที่1แต่เย็นวันที่31 มีการบวชชีพราหมณ์เริ่มพิธีสวดมนต์พระสงฆ์สวดพระปริตตมงคลเสร็จแล้วท่านนิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมองค์ที่หนึ่งวันนั้แล้วองค์ที่สองก็คือท่านจุกุลธรรมวัดแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นมีการเทศสองกันพวันนั้นตอนเย็นใครจะไปร่วมไหวพระสวดมนฟังพระปริตตมงคลฟังเทศสองกันก็นกไปหน้าและก็เมื่อวาน หลวงพ่อไปสวดมนต์หลวงพ่อไม่เคยไปแต่ก็ได้ไปว่างั้น่คือผู้บัญชาการเรือนจำอุดอรธานีของเราเนี่แหละท่านเข้ามาท่านรู้จักกับท่านรัตนะเคยเป็นอาจารย์ของท่านท่านก็เรียนสูงนะปท .9 ว่างั้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำท่านก็มาเป็นผู้บัญชาการเรือนจำอุดอรท่านก็เข้ามาบอกว่าเรือนจำอุดอรเนี่ย หลวงตาท่านไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลตึกพยาบาลโรวงตามหาบัวยนะชสมปโนใครว่าหลายเตียงนะสามสิบเตียงนั่นน่ะสองชั้นที่เรือนจําแล้วก็มีถังน้ําแล้วก็มีห้องสมุดมีถังน้ำสองถังที่ได้ใช้กระทั่งทุกวันนี่แต่หลวงตานะคว่ามีพอใช้แม่น้ําถ้ามีพอใช้ก็ทําถังน้ําเตรียมรอไว้ก็ได้ ก็เลยเตรียมรอถังน้ําสํารองไว้ในเรือนจําท่านผู้ปัญชาการเรือนจําท่านก็ชี้ให้ดูที่ลงตาไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์นะแล้วก็ท่านบอกว่าเนี่ยท่านที่เข้ามาเมื่ออาทิตย์ก่อนนั่นแหะติด ท, ท่านเข้ามานิมนต์ท่านก็บอกว่าหอพระในเรือนจําน่ยมันซุดมันแตกเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่เก่าแก่แล้วผม คิดอยากจะซ่อมแซมใหม่แต่ก็ขาดทุนทรัพย์ถ้าท่านอาจารย์ไม่ขัดข้องถ้าท่านอาจารย์พอที่จะช่วยอนุเคราะห์ได้ก็ผมก็อยากจะได้เนี่แหละท่านก็พูดดีอยู่เท่าไรตรงพอก็บอกว่าแสนสองเมือนอันนี้เฉพาะค่าวัดสดุแต่ค่าแรงหรือว่าแรงงานนั้นคนในเดือนจำนั้นช่างมีมากไม่มีปัญหาเรื่องคนที่จะทา นี่มีตรขาดวัสดุที่พวกเป็นหินเป็นเหล็กปูนทรายกระเบื้องน่ะหลวงพ่อเออถ้าเสียนสอนแล้วก็ตกลงมอบให้ขอให้พวกเราทุกท่านนะอย่าดมทุกคนนะปัจจัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่ะไม่ใช่ของหลวงพ่อเป็นของศรัทธาญาติโยมทุกคู่ทุกคนนั่นแหละที่ถวายหลวงพ่อมาหลวงพ่อเห็นว่าจุดไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อศาสนาหลวงพ่อก็มอบให้ หลวงพ่อเห็นว่าในคุกในตารางในเรือนจำํำก็มีความทุกข์ใจอยู่แล้วทั้งพนักงานทั้งคนทั้งเรือนจําเข้าไปก็เห็นเห็นสิ่งที่ไม่สีวิไลเหมือนนั่นะอย่างน้อยก็เห็นพระพุทธโลกนั่งอยู่ก็ได้ยกมือไหว้ได้เข้าไปกราบเร่ไปแสดงความเคารพเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็คงจะเกิดประโยชน์นะหลวงพ่อหรือเอาควรจะทําให้สวยงามหลวงพ่อก็ได้มอบปัจจัย เป็นดาบให้เมื่อวานเนี่ยกอให้พวกเราอนุโบทนาสาธุพรกันเน้่ในกิจในใจเน้่แล้วก็หลวงพ่อก็ได้พบกับพวกพวกผู้ต้องขังหลวงพ่อก็ถามว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่บอกว่าสองพันกว่าโถคนเมืองอุดอรกี่ล้านคนล้านกว่าคนใช่ไหม เ, เข้าไปอยู่ในคุก1ะพันกว่าค น, นก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันผู้หญิงเท่าไหร่ผู้หญิง200อกว่า จากนั้นเป็นผู้ชายผู้ชายเกือบสองพันหลวงพ่อไปเห็นนะก็ไปอยู่ในอีกแดนหนึ่งหลวงพ่อไม่เคยเข้าไปเลยว่างั้นเถอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนพ่อมาลัยไปโปรดจัดนรกแต่นี้หลวงพ่อไม่เปรียบเทียบถึงขนาดนั้นหรอกเออันนี้พระอินไปเยี่ยมคุกวันนัอนพร ะ, พ ะ, พ ะ, พะอินพระอินไปเยี่ยมเดือนจำว่างั้นเถะ เออไปเห็นนะเออหลวงพ่อกับสังเกตตั้งแต่ทางเข้าไปเหงือนนนะหลวงพ่อก็ถามเอ๊ะมีกี่ประตูผู้บัญชาการะแต่หลวงพ่อก็ไม่รู้จักอีกว่าผู้ใหญ่ที่สุดของเรือนจำเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าังไงพออเละไหะไม่ใช่ผู้บัญชาการเรือนจําอ๋อหลวงพ่อเออเอาผู้บัญชาการประตูเข้าคุกนี่มีกี่ชั้นเนี่ยว่าถามว่ามีเจ็ชั้นวะโธะ มีเจ็ดชั้นทั้งหมดเลยพอก่อนที่จะเข้าไปเขาเห็นมองหน้าคนทั้งที่ผู้บัญชาการเรือนจํามาเปิดนะเปิดเขาก็เปิดปับ๊บพวกเราเข้าไปปับ๊บใส่กุญแจปับ๊บไปเข่าหน้าไปยืนอีกเปิดกุญแจปับ๊บผ่านไวใส่กุญแจปับ๊บโอ้แปลว่าเขารักษาอย่างเข้มแข็งเลยมั่งนั่นแนหะถามว่ากี่ชั้นเลยเจ็ดชั้นมั่งนั่นเอย ท, ที่ที่ประตูเข้าไปนะ แปลว่ากุญแจเนี่ยใส่ทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้ น, นเลยเหงั้นกันเถ อ, อเพื่อหัวนักโทษจะหนีออกมาเหมือนกันเถอะนี่แหละแต่ก่อนลุงพ่อพูดว่า อ, อประตูวัดเนี่ยวัดอยู่ในบ้านวัดอยู่ในเมืองบางทีมีทั้งสี่ประตูทั้งทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเปิดอยู่ตลอดเวลาก็หาคนเข้ายาก อ, อแต่ประตูโคกเนี่ยใส่กุญแจทั้งสองชั้น คนก็ยังเรียนคิวเข้าไปหลวงพ่อว่าแต่วันนี้หลวงพ่อเปลี่ยนคําพูดใหม่หลวงพ่อบอกว่าประตูคุกทั้งเจ็ดชั้นเหมือนกันนเออประตูคุกทั้งเจ็ดชั้นก็ยังเรียนคิวเข้าไปเหมือนกันเถอะเข้าไปทั้งหมดทั้งสองพันกว่าเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปเขาก็ไม่เคยเห็นพระเข้าไปพระกรรมาฐานอย่างหลวงพ่อแต่ท่านก็บอกว่าท่านจะทําบุญทุกเดือนอ่ะ ท่าก็คงจะ น, นิ ม, มนต์พระแทบๆนั้นแหละแต่ในคราวนี้ท่านนิ ม, มนต์หลวงพ่อเข้าไปพระเก้าองค์เข้าไปแล้วก็ท่านก็ไห ว, ว้พระเขาก็ไห ว, ว้พระทุกคนน่ะเขาก็นั่งกับพื้นแต่นักโทษหญิงโดยมากก็จะเอาเข้ามาทําบุญ2 0งกคนเขาก็นั่งพับเพียบแล้วก็มาใส่บาตรนั่งใส่บาตรโอ้เยอะเพราะงั้นแหะแล้วก็นักโทษชายอีกเป็นกลุ่มหนึ่งก็ไม่มากนักโทษชายเพราะมันเยอะนะแต่รุมแล้วคนใส่บาตร เกือบสามรอยคนมัน้งทั้งนักโทษทั้งพนักงานเมื่อวานเนี่ยอยากนั้นก็ไหว้พระพอไหว้พระเสร็จเรียบร้อยก็อาราธนาศีลแต่เมื่อวานบอกว่าท่านผู้บัญชาการว่าไม่ต้องสวมดมนต์ก็ะแดท่านอาจาร์ไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ถวายอาหารเลยเออเอาได้จากนั้นเขาก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็อาราธนาศนนะีลห้านะหลวงพ่อก็ได้กล่าวเรื่องศีลห้าให้แก่พวกเขาเหล่านั้นฟัง หลวงพ่อบอกว่าเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลห้าของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศีลมาตั้งแต่ดึกดําบรรเป็นศีลมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกไม่ใช่ศีลของพระพุทธเจ้านะถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทงว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นสัตว์ต่างๆเป็นมนุษย์เป็นอะไรพระองค์บอกว่าพระองค์ได้รักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถนี่ เป็นพื้นฐานสมัยเป็นพระเวชชั้นดรพระองค์ก็รักษาศีลอุโบสถอยู่ในป่าแล้วก็เป็นลือศีชีภัยรักษาศีลอุโบสถก็มีรักษาศี น, าน่าก็มีเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นสมัยสวยพระชาติพระองค์ก็รักษาศีน่าเป็นพื้นฐานสรุปแล้วก็คือศีน่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นเป็นศีน่ามาปกครองโลกมาตั้งแต่ดึกดําบรร แต่ไม่ใช่สินห้าที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็บัญญัติไม่ใช่อย่างพระพองค์ได้นำสินห้าสิคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรบัญญัติขึ้นมาไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังฟั ง, ฟ ง, ฟงดูนะมาสินห้าของพระพุทธเจา้านี่สินมีคุณค่าอย่างไรอย่างข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเพราะว่าอยากคิดฆ่ากันนะถ้าพวกเราคิดฆ่ากันคนนั้นคิดฆ่าคนนี้คนนี้คิดฆ่าคนนั้น ชุมชนของเรากลุ่มของเราประเทศชาติของเราโลกของเราจะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุใดเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ไว้ใจกันต่างคนก็ต่างไม่มีเมตตาต่อกันต่างคนก็ต่างระแวงระวังเพราะว่าพิษภัยจะเกิดจากคนไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นต่างคนก็ต่างเตรียมพร้อมของใครของเราโลกทั้งโลกจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะโลกทั้งโลกเครียดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าวะอยากคิดฆ่ากันนะพวกเราหยุดคิดฆ่ากัน มีแต่ความเมตตาต่อการมีแต่การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันโลกทั้งโลกก็สงบร้มเย็นเป็นสุขถ้าเราคิดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาคณาญาติของเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาคิดฆ่าเราล่ะเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพศีกันเด้ออันนี้ศีลของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินนาทานอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาเนอะถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะ เขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเขาว่าขโมยขโมยคำเนียไม่ใช่ว่าขโมยได้ขโมยเข็มขโมยรองเท้าธรรมดาน่ขโมยพ่อขโมยแม่่ขโมยสามีภรรยาเขาไปเรียกค่าไถ่อย่างเนี้ยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะคว่าขโมยอ่ะขโมยรถขโมยลาขโมยเงินคำในธนาคงรธนาคารทุกวันี้มันมีเยอะแยะไปคาว่าขโมยสรุปแล้วก็คือเขาไม่ได้ให้เราเรา ไปคดไปโกงไปเบียดไปบังเอาของเขามาเป็นของตัวเองอันนี้แหละขโมยฮะถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยเบียดบังของเราก็เช่นเดียวกันเราก็เสียใจคนนั้นอย่าอย่าไปทำกันเนะ้ออันนี้คือสินข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้เป็นสินคุงของโลกสินข้อที่สากามีสุมิทิสาจาราเวรมานีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขากรักสงวนห่วงแหน ถ้าเราไปล่วงล้ำเขาล่ะเขาก็เสียใจเขามาล่วงล้ำเราไม่เคารพอธิปไตยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันเนะ้อถ้าเคารพสิทธิ์กันแล้วโลกทั้งโลกจะสงบพรมเย็นเป็นสุขอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สมุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเนะ้อถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาคําว่าโกหกโกหกคำนี้มีมากมายมันมีหลายระดับ ระดับเศรษฐีระดับยาจกระดับคนธรรมดาระดับเศรษฐีก็คือนั่นแนหะเขียนเช็คแด้งให้เขาอย่างนี้ยน อ, อันนี้แหละเทียงว่ า, าโกหกระดับเศรษฐีมั้งกันแนตะ่คนที่ถูกโกหกเสียหายเป็นเป็นหลายร้อยล้านก็มีฮะเพราะนั้นเพราะว่าโกหกโกหกคำนี้เนะี่ยมีมากมายมีหลายระดับเพราะฉนั้นถ้าว่าโลกทั้งโลกมีความซื่อสัตย์สุดจะิตต่ อ, อกันไม่มีการโกรหกต้มตุ๋นหลอกลวงกัน โรคต้งโรค ก, ก่อสงบพรมเย็นเป็นสุกได้ไปที่ไหนก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันพูดคําไหนก็เป็นคํานั้นแต่นี่ถ้าว่าพูดคําหนึ่งเอแล้วก็พูดอีกเท้าหน้าอีกเป็นคําหนึ่งจะหาความสัตย์ความจริงกันไม่ได้ผลที่สุดก็เลยตั้งทนายคงตั้งทนายความตั้งพิพากษาอายการคําพูดคําเดืเอนเสียหายยุ่งเหืองวุ่นวายไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีความสัตย์ความจริง ในตัวของพวกเราเองเพราะนั้นสินข้อที่สีเนี่ยไม่ใช่สินเล็กน้อยเหมือนกันสินข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฉะประมาทการดื่มสุราและเมลยัยการดื่มเหล้าดื่มเบียร์คัญชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ่งยาบ้าดงกงรมกาวรนะ่ล้วนแล้วจะทำให้สมองของเราปั่นป่วนทาเมื่อทำไปแล้วคนนั้นขาดสติเมื่อขาดสติและทความชั่วเสียหาย ให้แก่ตนเองให้แก่คนผู้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายใครอยู่ใกล้ชิดหวาดตะแวงไปหมดนะ่ะกลัวมันจะทำร้ายทาลายเราเพราะคนไม่มีสติเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าการดื่มสุราและการกินเหล้ากินเบียร์กินยาบ้ายาากัญชา ย, ยาฝิ่นเนี่ยมันเป็นของมึนเมาถ้ากินเขาเราขาดสติเมื่อขาดสติแล้วขาดความยับยัง้งหาความยับยั้งในตัวเองไม่ได้ ก็รู้อยู่แล้วทำไมเราจะไปกินมันเราก็งดซะ น, ะนี่แหละอันนี้คือศินแระธรรมของพระพุทธเจ้าสินห้าประการของพระพุทธเจ้าถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วล้วนแล้วจะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมของพวกเราไม่ใช่สินของใครอื่นนะเป็นสินของพวกเราทุกคนนะเพราะฉะนั้นพวกเราให้สมาทานรักษาสินน้าข้าพเจ้ารู้แล้วว่าสินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ วิเคราะห์ดูด้วยยังไงวิเคราะหอย่างไงนั่งวิเคราะห์นอนวิเคราะห์เอย่างไงศินของพระพุทธเจ้าก็มีคุณค่าเพราะฉะนั้นข้าพรเจ้าคนหนึ่งจะรักษาสินรำของพระพุทธเจ้าข้าพรเจ้าจะเคารพในสินธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าคนไม่มีศินและธรรมแล้วจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้ในประเทศชาติในชุมชนสังคมของประเทศชาติของเรากลุ่มของเรา อันนี้ะคือศีลธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนพิจารณาเนอะนี่แหละหลวงพ่อพูดในในเรือนจำเมื่อวานแต่ไม่รู้ว่าเขาจะฟังมากน้อยยังไงแค่ไหนแต่ถึงยังไงหลวงพ่อไปที่ไหนนี่แหละอธิบายเรื่องศีลธรรมให้แก่ศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดเพราะทุกวันนี้โลกทุกวันนี้ที่ ไม่ไว้ใจกันเดือดร้อนวุ่นวายคือขาดสินห้านั่นแหละคนที่เข้าอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมตะลงตารางเดือนจำนั่นกันเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลละขาดสินหานี่แหละไม่คอดใดก็ข้อหนึ่งในสินหานี่ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นสินหานี่เป็นสินพื้นฐานเป็นสินพื้นฐานคุณงามความดีให้ข้าว่าถ้าผู้ใดรักษาสินห้าแล้วปิดความชั่วในเมืองมนุษย์ให้เขาปิดว่างั้นเถะแล้วก็ปิดอบายยภูมิไม่ตกนรกอีกต่างหาก พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะทางมาพวกเราไปศึกษาดูให้ดีแล้วที่พิพากษาอาการตัดสินที่คนเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยโดยมากเจ็ขาดศินห้านะไม่ข้อใดก็ต้องข้อหนึ่งว่างั้นแหะในศินห้านั่นแหละว่างั้นแหละเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะพวกเราที่นั่งฟังอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อขณะนี้เดียวนี้ก็เหมือนกันนะให้ฟังหรืผู้ได้ ย, ดยินเสียงหลวงพ่อ นอกจากสถานีวิทยุเนี่ยก็ขอให้ฟังว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวนี่ไม่ใช่ศีลของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่ศีลของพระไม่ใช่ศีลคนอยู่ในวัดเป็นศีลของพวกเราจะต้องฟังจะต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ดูทว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ทุกคนควรจะสมาทานศีลถึงจะรักษาไปได้ก็ให้เคารพเอาไว้ว่าศีลของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้นั้นน่าเทิดทูนบูชา หน้าเคารพหน้ากราบไหว้เพราะเป็นธรรมจริงมาตั้งแต่ดึกตําบรรพแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะรักษาได้เพราะข้าพเจ้ายังไม่พร้อมแต่ข้าพเจ้าจะรักษาข้อใรข้อหนึ่งในห้าข้อนั้นก็ยังดีนะพอเห็นผุณค่าของศินแต่ว่าทุกคนเห็นศินไม่ใช่ของเราหรอกจนกว่าเขามาป้นมาฆ่ามาคดมาโคงตัวเองตัวเองร้องโหมร้องไห้ยังค่อยระลึกถึงศินถ้าบางคนมีศินคงจะไม่ทําอย่างนี้ฮะ ที่ไหนได้เขาโคดเขาโกงเขาทํำปุยิบปุยมกับตัวเองพอแรงแล้วจึงเห็นคุณค่าของสินอยู่ดีๆไม่ระลึกถึงสินของตัวเองไม่รักษาไม่รู้จักคุณค่าเนะพราะนั้นให้พวกเราทุกคนให้รู้จักคุณค่าของสินไว้แต่นนเดิ น, น, นและกัพยายามแนะนําสั่งสอนลูกหลานของพวกเราวงสาคนาญาติของพวกเราลูกหลานผู้ใดก็ตามทําสิ่งที่มันไม่ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าส่งเสริม เออลูกเอออย่าไปทําอย่างนั้นหน้าหลานเอออย่าไปทําอย่างนั้นนะมันเดือดร้อนคนอื่นเขานะถ้าเขามาทําให้แกเรา<ะ>ล่ะทําให้แกพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายทําให้แกวงศาคณะญาติของเราล่ะเราก็เสียใจนะถ้าลูกหลานไปทําให้แกเขาล่ะเขาก็เสียใจเหมือนกันนั่นแหะเพราะฉะนั้นให้นมัดระวังหน้ลูกหลานเนอให้เคารพสิทธิ์กันพ่อแม่ต้องพยายามแนะนําสั่งสอนลูกหลานเพราะเขาเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเขายังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์โมโหโธ่โศกโลธาอยู่ในจิตในใจ เขาอารมณ์ร้อนมืนกันอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยากไปเสริมอย่ า, ยางทีเมื่อวานลุงพ่อก็ได้พูดวัี้นะทุกคนก็ต้องมีความผิดด้วยกันทุกคนนั่นแหละเกิดมาในโลกเ mm hmm. พราะความผิดมันมีหลายระดับระดับหนึ่งความผิดก็ยังไม่ออกนอกดูนอกทางก็คือพวกเราคิดผิดอย่างเนี้ยบางทีโมโขขึ้นมาเนี่ยอยากจะฆ่ามันก็เกินอย่างเนี้แต่เรายังไม่พูดออกไปเรายังไม่ทําออกไปอันนี้เรียกว่ามโนกรรมมโนกรรม เป็นบาปทางใจล่ะคิดผิดแล้วพังกนเะเนี่ยจะไปฆ่าเขาทําไมล่ะถึงฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็จะตายจากเขาอยู่แล้วเราไปคิดฆ่าเขาทำไมเฮะอันนี้ยังไม่มีโทษอะไรนะแต่เมื่อเราไปด่าเขาๆทีเนี่ยนั่นแหละกฎหมายเอาผิดได้แล้วนี่ถ้าว่าเราไปตเตา เ, ข, าเ ข, าข้าๆหรือไปฆ่าเขาๆเนี่ยเอาเอาร่างกายของเราไปทํานั่นแหละทีเนี่เป็นโทษที่เขาจับเข้าคุกเดี๋ยวนี้ก็ น, นี่นะโทษทางกายกับโทษทางวาจาวาจาคือคําพูด กายคือการกระทำแต่ใจอย่างเดียวยังไม่มีโทษอะไรแต่มันออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวนหน้าใจไม่พอใจซะก่อนมันยังสั่งวาจาพูดออกไปสั่งให้การกระทำออกไปเพราะนั้นสินท่านว่าสินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินรักษากายวาจาก็คือไม่ให้วาจาของเรามีโทษไม่ให้ร่างกายของเราไปทาโทษ ถ้ว่าเราสัมรวมกายกับวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็ชื่อว่ัตถินนะสรุปแล้วก็คือใจของเรานั่นแหะไปสั่งให้วาจาพูดออกไปเราคิดผิดซะก่อนเราจึงค่อยสั่งวาจาออกเราคิดไม่ดีซะก่อนเราจึงส่งร่างกายส่งหมัดสมมวยออกไปส่งค้อนส่งไม้ส่งอาวุธปืนผาหน้าไม้ออกไปวบบนั้นแหะนั่นคือใจของเราสั่งซะก่อนเพราะนั้นเมื่อเราสั่งออกไปอย่างนั้น ร่างกายของเราก็ทำวาจาของเราพูดออกไปนั่นแหละผิดเพราะนั้นคนเรามีผิดทุกคนแต่ว่ามีการยับยั้งในจิตในใจซึ่งบอเราคิดผิดขึ้นมาเอ้ยเราจะไปฆ่าเขาทำไมเขามาฆ่าเราละ่ะเราไปฆ่าเขาละ่ะมันไม่ดีทั้งนั้นแหละอย่าทำนะใจนะหยุดนะอย่าคิดนะนี่แหละต้องใช้สมาธิในการบังคับจิตใจของตนเองเมื่อเราทำได้อย่างนี้นะั่นะจิตใจของเราจะเยือกเย็น จะคิดจะทําอะไรใจของเรามีเบรกนะเรามีเบรกแล้วก็พร้อมกันมีทั้งคันเร่งด้วยมีทั้งพวงมาลัยด้วยในใจของเราทําไมจะว่ามีเบรกมีคันเร่งมีพวงมาลัยถ้าว่าเราคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องคิดไปทางเบียดเบียนคิดไปทางคดโกงคนอื่นคิดแต่จะฆ่าคนอื่นเนี่ยเราก็เหยียบเบรกไว้มันอย่าทํานะใจนะมันไม่ถูกนะทําอย่างนั้นนะนะอันนี้คือเรามีเบรกในใจิตใจถ้าคันเร่งลนะ่ะ คันเร่งถ้าเราขี้เกียจขี้คันเราขี้เกียจอ่านหนังสือขี้เกียจไหวพระสวดมนต์ขี้เกียจปฏิบัติพ่อแม่ขี้เกียจต่อหน้าที่การงานเหยียบคันเร่งเหมือนกันไอ้ต้องทําเราต้องมีอยู่มีกิน เ, เราต้องอยู่ต้องกินเราจะไปขี้เกียจไม่ไดเ้เราต้องเหยียบคันเร่งให้ทํางานให้ไปกราบพ่อกราบแม่ให้ไปรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ให้สั่งสมคุณงามความดีถ้าขี้เกียจไม่ได้ถ้าขี้เกียจยังนี่ไม่ได้ ดูกับโลกเขาไม่ได้ไม่ทันโลกเขาอันนี้เขา่าเหยียบคันเร่งแล้วก็หมุนพวงมาลัยกหมุนพวงมาลัยในทางที่มันถูกต้องเป็นธรรมสิ่งไหนที่ถูกต้องเป็นธรรมเราก็หมุนพวงมาลัยไปทางนั้นแหล ะ, ะจับนั่นก็เเยียบคันเร่งไปในทางที่มันถูกต้องเป็นธรรมนะะั้นฮะแต่ถ้าว่าสิ่งไหนที่ไม่เป็นธรรมน ะ, ะอยากจะคิดก็ไม่คิดอยากจะพูดก็ไม่พูดอยากจะทาก็ไม่ทาเหยียบเบรกเอาไว้ แต่ถ้าว่าสิ่งที่มันถูกต้องอย่างไหวพระสวดมนต์อย่างไม่อยากจะพูดกระวะบังคับให้พูดอรหังสวาระโตสุปฏิปโนพุทโทธธรรมสังโคลนมโมตัสสะปานาธินนาการเมมุสาสุราบังคับให้พูดเพราะเหตุใดเพราะนี่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป่ปงปวาจาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอันนี้พยายามบังคับไม่พูดใจต้องบังคับกายให้พูดนี่แหละใจตัว น, นี้นะใจเป็นใหญ่ เพ่างพนั้นให้พวกเราศึกษาดูว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ใจเป็นหัวหน้าและก็เป็นนายของร่างกายและเป็นนายของใจแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นธรรมแล้วจะทาจะพูดออกไปก็ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งคดีโลกและคดีธรรมเป็นศีลเป็นธรรมทั้งหมดแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นนักเลงเป็นหัวไม้เป็นจิตใจที่เป็นอกุศลจิตใจหมกมุ่นไปด้วย ราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงในจิตในใจปล่อยออกไปทางวาจาก็มีแต่ไปในทางที่ไม่ดีและก็ปล่อยออกทางกายก็ไปในทางที่ไม่ดีเฮ้เพราะเหตุใดเพราะใจที่เป็นหัวหน้านั้นเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะให้ชําระใจทีนี้เอาอะไรมาชําระใจจึงจะสะอาดพอสําระกายเราก็พอจะทําได้เอาสบู่ เอาแปรงสีฟันเอาอะไรมาลุกไลร้ร่างกายให้สะอาดเราก็ยังพอทำได้แต่ใจเนี่เราจะเอาอะไรมาชำระใจจึงจะให้ใจสะอาดได้นี่แหละต้องศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาเลยท่านพระพุทธเจ้าไปชำระใจของพงค์นี่อยู่ในป่ารงพงไผ่ถึง6ปีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วกล่าวอีกนี่แหละพระองค์ไปชำระใจของพงค์ด้วยตปธรรมคือศีลศีลสมาธิปัญญา สัมมาธิฏิปิดเปลืองตนส ม, มาธิฏิสัมมาสังคโปส ม, มาวาจากัมมันโตอาชีโ ว, วายโมสติสส ม, มาธิเนี่ยเรียกว่ามักแปดที่แหละเป็นผู้มาชำระใจทําใจให้สงบทําใจให้เป็นหนึ่งทําใจให้นิ่งเมื่อจิตใจนิ่งสงบแล้วเราจะมองเห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจมันคิดไปในทางไหนคิดไปในทางโลภหรือคิดไปทางกโกรธโกรธไปเพื่ออะไรหลงเพื่ออะไร ราคามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโทสะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างนี้เราจะมองเห็นได้เมื่อจิตใจของเราเนิ่งเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิดีแล้วจากนั้นก็เมื่อเห็นว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเราก็กันกรองด้วยปัญญาของเราอีกที่นึงถึงจากนั้นก็นำมาพิจารณาสิ่งแวดล้อมของเราอีกถึงสิ่งแวดล้อมของเราคืออะไรคือสิ่งแวดล้อมคือร่างกายของเราเนี่ย กายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะ่าใจนะอีกสักวันหนึ่งนะเนีร่างกายเนี่เห็นไหมนะ่ะตะกอนเราเป็นเด็กเนีเราเห็นเด็กไหมเห็นเนี่เราเป็นเคยเป็นเด็กอย่างงั้นไหมใช่เราเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวขึ้นมานะี่ใช่ไหมใช่บัตรนี้เราแก่ชะลาเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่แก่แล้วไปถึงไหนผลที่สุดก็เห็นคนตายไหมเห็นเราจะตายเหมือนกับเขาไหมใช่ นี่แหละคือเราไล่เลียงตามลําดับเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาททีนี้เออเราก็ควรจะสังสมสิ่งไหนควรจะทําคุณงามความดีอย่างไรเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราพวกเราให้เตรียมพร้อมเอาไว้ทีนี้เพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์วิเคราะห์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์วิเคราะห์ดูแล้วว่าตายแล้วไม่สูญน ะ, ะลูกหลานสัตยายญาติโยมนะ ถ้าพวกเราอยากจะรู้พวกสูญเจ้าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนั้นสูญเจ้าจะไปคิดเดาออเฉยๆให้สูญเจ้านั่งภาวนาเมื่อนั่งภาวนาจิต ใ, ใจเข้าสู่ความสงบนิ่งแล้วสูญเจ้าจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออกายกับใจนี่มันเป็นคนละอันกันนะเป็นคนละส่วนกันนะเมื่อร่างกายแต่ตายสลายแน่แต่ว่าจิตใจที่มาอาศัยร่างกายนี่ออกจากร่างนี่แล้วจะต้องไปปฏิสนธิ ไปหาเกิดที่อื่นอีกทางพวกเราจิตใจดวงนั้นจิตใจผู้นั้นที่ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้เตรียมเอาไว้พอออกจากร่างนี่แล้วก็เลื่อนลอยทยอาจจะไปหาเกิดพบหน้าชาิหน้าอาจจะเป็นหมูหมากาไก่ก็ได้เข้าไปในท้องช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ก็ได้ถ้าว่าเรามีบุญมีกุศลบุญกุศลเกิดพาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเลือกที่เกิดได้ทีนีคนที่มีบุญไปเลือกที่เกิดได้ เนี่เราจะเกิดเป็นมนุษย์ซะก่อนหรือเราจะไปอยู่สู่สวรรค์ไปพักผ่อนบนสวรรค์ซะก่อนจงค่อยลงมาเกิดอีกพอเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะาโทสะอยู่ยังไม่ชำระกิเลสยังไม่ขาดเนี่ยอย่างพระเจ้าพิมพีสารเนี่ยที่ลูกชายท่านทรมานแล้วตายในคุกที่ตีนเขากิจกูดนะนี่กรุงราชคฤหนะ์พอตายไปแล้วท่านเขาเออเราควรจะไปพักกับหมู่ญาติของเราก่อน เราคงจะไปพักกับหมู่ญาติของเราก่อนเพราะเราอยู่กับหมู่ญาติของเรามานานไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติอยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นจาตุมันเราควรจะไปพักที่นั่นก่อนทั้งที่พระเจ้าพิมพิสารนะท่านเป็นพระโสดาบันท่านพร้อมที่จะขึ้นไปอยู่ชั้นพรมก็ได้สวรรค์ชั้นไหนก็ได้ท่านเลือกไปเกิดได้แต่นี้ท่านจะไปเกิดอยู่ชั้นจาตุมันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนะี่ย พี่น้องเมืองลาวมีมากใช่ไหมเรามาจากเมืองลาวเนี่ยบ้านเราก็ไปพักกับพี่น้องเมืองลาวไปพักผ่อนที่นั่นสะกก่อนไนงะท่านที่เราจะไปอังกฤษอเมริกาไปที่ไหนไหนก็ได้รอบโลกว่างั้นแต่แต่นี่เราไปพักที่นั่นได้เพราะเหตุไรเพราะเลือกได้เพราะเหตุไรเพราะเรามีบุญนะคนที่ไม่มีบุญมันเลือกไม่ได้นะพอตายไปแล้วกันเะลยมพบาลเขาก็จับดวงวิญญาณตรงนั้นอนะไปลงโทษอย่างไปเข้าคุกอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่นะ ถ้าใครทํากรรมหนักเอาไว้ก็ส่งไปเข้าคุกเข้าตารางไปก่อนจนพ้นโทษพ้นกรรมและจึงออกมาจากนั้นก็ยังค่อยไปหาเกิดเนี่ยเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ท่านว่าอย่างนั้นท่านบูกอย่างนั้นท่านวิเคราะห์อย่างนั้นท่านเห็นอย่างนั้นท่านภาวนาท่านเห็นอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็เห็นอย่างนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นเกินร้อยว่างนั้นเถอะเพราะเหตุไรพ่ออยากจะรู้ให้ลูกหลานจิตทายาิโยมนั่งสมาธินะ ถ้าจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครว่างั้นกายกับใจอาศัยกันอยู่ใจดวงนี่แหละจะไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆแต่ถ้าพวกเราทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้กรรมไม่ดีนั่นจะตามสนองพวกเราตกต่ําไปเรื่อยเพราะนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่สมัยก่อนเมื่อเราเป็นเด็ก เราก็มืดมาเพราะเหตุไรพวกการทามาค้าขายการหาอยู่หากินปากกัดตีนถีบเพราะงั้นแต่เราก็มืดมาแต่บัดนี้พวกเรารู้แล้วว่าพระพุทธศาสนาสอนอยังไงคุณงามความดีนั่นคืออะไรเพราะให้นั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในหลักของพุท ธ, ธพระพุทธเจ้าท่านว่าตโมตมะปรายโนโชติตโมตมะแปลว่าเมื่อสมัยเป็นเด็กเราไม่ได้ศึกษาเรามืดมา แต่บัดนี้เราได้ศึกษาธรรมะพวกเรารู้แล้วว่าอันไหนดีอันไหนชั่วเราก็อันหน้าตอบคุณงามความดีอันนี้ว่าโชติปรายโนคล้ายๆกับมืดมาและสว่างไปอันนี้แปลว่าเป็นพ้นทางที่ถูกต้องในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าตามโมตมะปรายโนตโมตมะสมัยเป็นเด็กก็ลุ่มหลงมัวเมาไปอีกแบบหนึ่งในเมื่อเท่าแกชรามากะลุ่มหลงมัวเมาใน กิเลสตันหามานะทิฐิอะไรก็ใหม่รู้กินเหล้าเมายาสัมเลเทเมาไปเรื่อยอันนี้แปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปภาษาบาลีเถ่าว่าตโมตมะปรายโนตโมตมะมืดมาแล้วก็มืดไปเพราะฉนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นนะคือให้มืดมาแล้วก็ให้สว่างไปพอเราได้ศึกษาธรรมะทำคําสั่งสอนแล้วก็แนะนำทำคําสังสอนมาวิเคราะห์ มาไตรต้องโดยเหตุด้วยผลแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์จากนั้นพวกเราก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติตามพวกเราจะสว่างไปจิิไนลธรรมจะพานำจิตใจของพวกเราให้สว่างไปเป็นสู่สุขคตินะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัมมบทนิยกถาให้แก่พวกเราได้ฟังประจำวันพระขึ้น8คำ่ำเดือนส0ตรงกับวันที่28สิงหาหสองวันนี้เรื่องแรกหลวงพ่อได้พูด พรอ ะ, ะอินไปเยี่ยมเรือนจำเหมือนกันแต่พระอินไปเยี่ยมแดนนรกเขาว่ามันนรกนรกในเมืองมนุษย์เหมือนกันคุกตารางเนี่นะถ้าเปรียบเทียบ ก, กับมือนน่ะพม่าลายไปโปรดสัตว์นรกแต่หลวงพ่อไม่ใช่ไปโปรดหรอกอันนี้ไปเยี่ยมนะให้เขาว่าเข้าไปดูว่าเป็นยังไงที่ท่านนิมนต์เข้าไปก็ไปเห็นแล้วเขาโอ้เพราะนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ อย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วนั่นแหละเขาคนกักขังให้อยู่ว่าไงถ่ะขังคนที่ว่าทำไม่ดีพูดไม่ดีแต่คนคิดไม่ดียังไม่มีโครงขังว่างถ่ะแต่ตามไว้จริงมันต้องขงคิดไม่ดีซะก่อนพอคิดไม่ดีซะก่อนแล้วก็ทำไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีตามมาแต่คนคิดไม่ดียังน่ะหลวงพ่อว่าพระในวัดของเราคงจะมีเหมือนกันนะคิดไม่ดีนะ คิดออกนอกหลูมคิดออกนอกทางคิดอยากจะเที่ยวคิดอยากจะเล่นคิดอยากจะกินอาหารคิดอยากจะฟังเพลงเ네นี่ยหลวงพ่อคิดว่ามีนะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะนี่แหละกร้ำชั่วเนี่ยหนึ่งก็ดี2ก็ดีสมก็ดีมีอยู่แล้ว rece, กร้ำชั่วอื่นที่ไม่มีที่ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นฮเพราะฉนั้นถ้าว่าเราคิดอย่าง น, นั้นแล้วต่อไปมันก็จะออกไปทางวายใพูดอยากจะพูดให้ใครฟังผมอยากจะไปกินอาหารผมอยากจะไปร้องเพลงน่ย เป็นวาจาออกมาผิดแล้วนะที่นี้นะตัวเองออกไปอีกไปทําอีกยิ่งผิดไปอีกทีเนี่ยผิดวินัยแล้วทีนี่แอนพราะนั้นพวกเราอย่าคิดพอเรามาบวชเป็นพระเราก็พุโทโธพุโทโธในใจิตใจถ้ามันคิดออกนอกรูนอ ก, นอกทางเราก็ดึงมาหาพุโทโธคิดไปทําไมวะฮะอมันอยู่ทางโลกมันก็อยู่พอแรงแล้วไม่เห็นมัเป็นสวรรค์วิมานอยู่ที่ไหนมีแต่มันทุกเหยียบย่ําหัวใจของเราแล้วเดี๋ยวนี้เราออกมาจากควันไฟนั่นแล้วออกมาจากเมฆหมอกนั่นแล้ว ออกมาจากสิ่งรุ่มร้อนเหล่านั้นแล้วออกมาอยู่เป็นเอกเทศตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราควรจะทำตัวให้เป็นตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ท ธ, ท ธ, ทธ ใ, หให้มีสติสมปัญญะในจิตใจนั่นแหละพวกเราจะสงบโร่งเย็นเป็นสุขอยู่ที่ไหนเป็นสุขมดนะถ้าคนมีธรรมในจิตในใจนะถ้ามีกิเลสในจิตในใจแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็มีแต่ความทุกข์นะ เพราะนั้นพวกเราให้หาความสุขหาอยู่ที่ใจนะเอาวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทนิยกถาจะเห็นว่าสุงควรกับการเวลาขอยุติในการพูดและก็ต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร